ข้อความในพระสุตันตปิฎกคุตการนิกาจุลนิเทศนะมาขึ้นเล่มใหม่ปารายนาวัคนั่นะก็มีบุวัตถุกาถาคือเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาก่อนที่จะมีการถามปัญหาของมานพสิบหกท่านเนี่ยนะมีว่าภาวรีพรามเนี่ยเป็นผู้เรียนจบมนปราธนาความเป็นผู้ไม่มีกังวล ออกจากพระนครโกศลอันน่ารื่นรมไปสู่ทักคินาปะทชนบทก็เขาเป็นอาจารย์ของพระราชาเนะของพระเจ้ามหากโกศลเนี่ยที่เป็นพ่อของพระเจ้าประเศสน์ที่โกศลทีนี้พอพระเจ้าประเศสน์ที่โกศลขึ้นครองราชก็ลาออกจากตําแหน่งปุโรหิตหรืออาจารย์ของพระราชาก็ไปอยู่โน่นในทักคีนา ทักิณาบทชนบทพราหมณ์นั้นก็อยู่ที่ฝั่งแม่น้ําโคทาวารีอันเป็นพรมแดนแว่นแควนอัสกะและแวดแควนมูลหะกะต่อกันเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยการเที่ยวพิกขาและผลไม้เนี่ยนะก็บินทบาทกับทานผลไม้เนี่ยนะเมื่อพราหมณ์นั้นเข้าไปอยู่อาศัยบ้านเมื่อพราหมณ์นั้นเข้าไปอาศัยอยู่ หมู่บ้านใกล้ๆแถวนั้นก็เป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้นด้วยความเจริญอันเกิดแต่บ้านนั้นพราม์นั้นก็ได้บูชามหาญัณเพราะจะมีประเพณีบูชายันทุกปีพราหมณ์นั้นบูชามหายันแล้วก็กลับเข้าไปสู่อาสมเมื่อพราม์นั้นกลับเข้าไปแล้วพรามณ์อื่นก็มาเมื่อบูชายันเสร็จนะก็มีพราม์อีนนกคนเขาเข้ามาพราหมณ์มมอื่นนั้นก็มีเท้าพิการ เดินงกงินฟันเคะมีทุลีบนศีษะเข้าไปหาพรามภาวดีแล้วก็ขอซับห้ารพรามขอทานนั่นแหละแต่ว่าเนื้อตัวนี่งกเงินฟันเคล ม, มัมแมมไปหมดเลยฮะทีนี้พรามภ า, าวรีพรามเห็นพรามนั้นเข้าแล้วก็เชิญให้นั่งแล้วก็ถามถึงความสุขสําราญความไม่มีโรคแล้วก็ได้กล่าวคํานี้ว่าซับของเราอันจะพึงให้เราเนี่ยสละหมดแล้วคือให้ทานไปหมด ดูก่อนพราหม์ท่านเชื่อเราเถิดซัพย์500ของเราไม่มีไม่มีซัพ์ไม่มีอะไรเหลือแล้วให้ทานไปหมดแล้วทีนี้พราม์นั้นเขาก็เข า, เ, ขาเป็นคนโกหกะนะก็สาบแช่งเลยว่าถ้าเมื่อเราขอท่านจักไม่ให้ในวันที่7ศีสะของท่านจักแตกออก7เสียงถ้าไม่ให้นะจากนี้ไป7วันหัวแตก7เสียงเลยมั้จริงๆแล้วพราม์นั้นเป็นคนโกหก ปรุงแต่งแสดงเหตุให้กลัวภาวรีพราม์ได้ฟังคําของพราหม์นั้นแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยนะก็ถูกเขาสาบเนี่ยวันอีก7วันจะตายอ่ะหัวจะแตก7 เ, เสียงเดือดร้อนสิที่พราหมามนั้นเนี่ยเขามีเล่เหลี่ยมของเขาอ่ะนะเขามีวิธีการสาบแช่งเขามีเทคนิคของเขาอ่ะเที่ยกว่าคนที่ถูกสาบเนี่ยฟังแล้วสะดุ้งเลยมังเพราะฉะนั้นหลังจากที่พราม์โกหกแสดงกิริยาอย่างนั้นเนี่ ภาวรีพรามก็มีลูกศอนคือความโศกเสียบแทงแล้วเศร้าโศกเสียใจไม่บริโภคอาหารสูพร้พร้อมลงพร้อมลงเนี่ยไม่ได้กินเลยนะก็ไม่ใช่เท่านั้นนะใจของพราหม์พาวรีก็มีจิตเป็นอย่างนั้นย่อมไม่ยินดีในการบูชาตะบะพรหมจันทร์อะไรก็ไม่มุ่งจะเจริญไม่มุ่งอะไรแล้วก็เศร้าโศกเสียใจเพาะอีกเจ็ดวันตัวจะตาย เทวดาที่สิงอยู่ใกล้อสมของพราหมณ์พาวรีนั้นน่ะเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์เห็นพราหมณ์พาวรีวาดกลัวเป็นทุกข์อยู่ก็เข้าไปห า, าภาวรีพราหมณนะ์เทวดาเขาเอนดูสงสารก็เลยเข้าไปกล่าวว่าพราหมณ์ผู้มีความต้องการด้วยทรัพย์นั้นน่ะเป็นคนโกหกนะนะจริงจริงเลยพรามณที่พูดนคนโกหกหรอกพราหม์นั้นย่อมไม่รู้จกักศีรษะและรู้จกักศีรษะหรือธรรมะอันให้ศีรษะตกไป ย่อมไม่มีแก่พรามนั้นที่บอกว่าอีกเจดวันเนี่ยสีษะของท่านจะแตกเจดเสียงอะ่ะพรามนั้นยังไม่รู้อะไรคือสีษะยังไม่รู้ว่าอะไรทําให้สีษะตกให้สีษะแตกไม่รู้สักอย่างหรอกเพราะฉะนั้นพรามนั้น่ะเป็นคนโกหกเหมือนกันภาวรีพรามเนี่ยพอฟังก็คิดว่าเออเทวดานี่อาจรู้ได้ในบัดนี้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้าถามแล้วขอท่านจงบอกศีษะและทำอันให้ศีษะตกไปแกข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าจะขอฟังคําของท่านเอ๊ะสีสะมันเป็นยังไงธรรมที่ให้ศีสะตกมันเป็นยังไงเทวดาก็บอกว่าข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักศีสะและธรรมะอันให้ศีสะตกไปข้าพเจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ความเห็นซึ่งศีสะและธรรมะอันให้ศีสะตกไปเนี่ยย่อมมีแก่พระชินเจ้าทั้งหลายเท่านั้นความรู้เรื่องเนี้ยเฉพาะพระพุทธเจ้า่ท่านรู้พราหมณ์ภาวรีก็ถามว่า ก็ในบัดนี้ใครในปตพีมนทนนี้ย่อมรู้จักศรีรษะและธรรมะอันให้ศรีรษะตกไปดูก่อนเทวดาขอท่านจงบอกท่านผู้นั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดใครบ้างมีความรู้เรื่องศรีรษะกับทาให้ศรีรษะตกเทวดาก็บอกกว่าพระสกยะบุตรคือบุตรของสกยะเนี่ยนะเป็นวงของพระเจ้าโกกาการาชเสด็จออกจากเมืองกบิลพัทบุรี เป็นพระพุทธเจ้าผู้นำโลกนะผู้นำสัตว์โลกนะเป็นผู้กระทำธรรมะให้สว่างพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้นำสัตว์โลกให้พ้นจากวัตรทุกพระองค์เนี่ยแสดงธรรมะให้สว่างกระจ่างแจ้งเลยมาบเทวดากล่อมแนะ น, นำต่อไปว่าดูก่อนพรามพระสกยบุตรนั่นแหละเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง นะถึงฝั่งแห่งอภินยยะอภินยยะปริญยยะเป็นต้นนนะ่นะบรรลุ ก, กำลังแห่งอภินยาทั้งปวงทรงมีพระจักสุในธรรมทั้งปวงก็จักสุหทรงถึงธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งธรรมะทั้งปวงทรงน้อมพระทัยไปในธรรมะเป็นที่สิ้นอุปธินะพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีใจน้อมไปในนิพพา น, า น, นแล้วก็ กล่าวพุทธคุณต่อไปว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าในโลกมีพระจักสุย่อมทรงแสดงธรรมท่านจงไปทูลถามพระองค์เถิดพระองค์จักทรงพยากรปัญหานั้นแก่ท่า น, นนะก็ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกะนะเทวดานี่ก็รู้คุณธรรมของพระพุทธเจ้าพอสมควรนะกล่าวได้อย่างไพเราะเพราะพิงเลยนะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําสัตว์โลกเป็นผู้ทำธรรมะให้สว่าง พระองค์เนี่ยเป็นพระสัมพุทธเจ้าทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงบรรลุ ก, กําลังแห่งอภิญญามีพระจักสูในธรรมทั้งปวงทรงแสดงธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งธรรมะทั้งปวงคือแสดงธรรมะเป็นที่สิ้นตันหาเนี่ยนะทรงน้อมใจไปในนิพพานพระองค์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้ามีจักสุในโลกย่อมแสดงธรรมพันถ้าหากว่าอยากจะรู้ศีรษะกัดทําให้ศีรษะตกเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าเถอะ ภาวรีพรามได้ฟังคําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีความเบิกบานใจมีความโศกเบาบางลงและได้มีปีติอันไพ่บุญอุ้ยพอฟังคําว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละปีติเอ่อความเศร้าโศกเนี่ย น, นะหายไปหมดอะโทสะหายเลยอะที่เหลือก็มีแต่ปีติความเ อ, อิบอิ่มจริงๆแล้วโทสะกับปีตินี่เป็นศัตรูกันถ้ามีปีติจะไม่มีโทสะถ้ามีโทสะไม่มีปีติเนี่ย น, นะ นความเศร้าโศกก็เนื่องจากขาดปีตินั่นเองมันแห้งแรงห่อเหี่ยวอับเฉาเนี่ยนะแต่ถ้ามีปีตินี่จะไม่แห้งแรงจะไม่ห่อเหี่ยวและจะไม่อับเฉาภาวรีพราหมณ์นั้นมีใจยินดีมีความเบิกบานโสมนัสก็ทามถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากะเทวดานั่นแหละว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกประทับอยู่ณที่ใด คือบ้านนิคมหรือชนบทไหนเราทั้งหลายเนี่ยจะพึงไปนมัสการพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดแล้วนะณที่ใดดีเหลือเกินนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเกิดขึ้นแล้วจะไปกราบไปไหว้ไปนมัสการไปบูชาไปฟังได้อย่างไรท่านตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนว่า ง, งั้นเทวดาก็กล่าวตอบว่าพระสกุลยบุตรนั้นเน่ย เป็นพระชินะมีพระปัญญาสามารถมีพระปัญญากว้างขวางเช่นแผ่นดินอันประเสริฐเป็นนักปราชไม่มีอาสวะทรงรู้แจ้งศีรษะและธรรมะอันให้ศีรษะตกไปพระองค์นี้ทรงองค์อาจกว่านรชนประทับอยู่ณนะราชมณฑนแห่งพระเจ้าโกศลในพระนครสาวัตถีนั้ น, น, นนะก็อยู่บ้านบ้านเก่าท่านนั่นแหละว่างั้นน่บ้านเมืองเดิมท่านนั่นแหละทีนี้ พอเหตุการณ์ก็ผ่านไปนะรู้แล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีลําดับนั้นพราหม์ภาวรีก็เรียกพราหม์ทั้งหลายผู้เป็นสิทธ์เนี่ยนะสิทธ์เขามีสิทธ์ผู้ใหญ่อยู่สิบหกคนแต่ละคนนี่มีบริวารคนละพันเนี่ยนะมีบริวารคนละพันเนี่ยนะก็หมื่นหกอ่ะแล้วก็เขาก็มีลูกสิทธิเลเขเขขาอีกห้าร้อย ก็พวกลูกศิษย์ฉลาดฉานั่นนะพวกนี้เขาก็แบกแต่พราหม์าวรีส์พราหม์พาวรีคนนี้ยเขารับหน้าที่สอนศิษย์โง่นั่นนะพวกไม่ค่อยฉลาดพวกดื้อๆทั้ทงหลายเนี่ยพราหมภาวรีเขาจะดูแลเองหมดนั่นนะก็เหมือนเคยได้ยนินนะว่าอาจารย์ใหญ่จริงๆเนี่ยจะสอนศิษย์เด็กกันบว่าครูใหญ่สอนปอนไหนบอกสอนปอนหนึ่ง ก, กันโบราณน่นนะแต่สมัยนี้ไม่รู้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมั้งแต่โบราณเนี่ยครูใหญ่จะสอนปหนึ่งกัน ครูน้อยๆประสอนปอสูงๆเหมือนกันพอนี้ก็รู้จากข่าวอย่างนั้นก็ไปเรียกลูกศิษย์พู้ถึงฝั่งแห่งมนต์มาลูกศิษย์เขาส่งไตรเพศกันทุกคนเนี่ยนะมีความรู้ดีหมดก็บอกลูกศิษย์ว่าดูก่อนมานบทั้งหลายมานี่เถิดเราจะบอกท่านทั้งหลายจงฟังคำของเรา่าความปรากฏเนืองๆแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใดนั้นน่ะหาได้ยากในโลกนะ พุทโธ ป, ปาโททูลพนะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี้ยากมากวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกถึงยากถึงพระพุทธเจ้าจะเกิดยากแต่วันนี้ก็มีนะพระพุทธเจ้าพระองค์นี่มีพระนามปรากฏว่าพระสัมพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองเนี่ยนะท่านทั้งหลายจงรีบไปเมืองสาวัตถี ไปดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์เนี่ยนะไปดูเถอะเนี่ยนะทางเราเนี่ยเป็นคนสูงเออเป็นผู้มีบุญจริงๆรอ้าวแล้วถามว่าทำไมพราหมณ์ภาวีไม่ไปเองแหะก็ไปไม่ได้อายุ120แล้วเนี่ยนะก็สั่งให้ลูกศิษย์ไปทีนี้พวกลูกศิษย์ก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ก็ข้าพระเจ้าทั้งหลายเห็นแล้วจะรู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรอยากจะไปเฝ้าไปแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าไม่เป็น ข้าพเจ้าทั้งหลายจักรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยอุบายอย่างไรนะมีวิธีไหมมีเทคนิควิธีการอะไรที่จะสอบสวนว่าผู้นั้นเป็นพระพุทธเจ้าจริงขอท่านจงบอกอุบายนั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ไม่รู้เถิดนะพราามภาวรีก็บอกลูกฝิดว่าก็พระมหาบุรุษมหาปุริสลักษณะ32ประการมาแล้วในมนทั้งหลายท่านกล่าวไว้แจ่มแจ้งบริบูรณ์แล้วโดยลาดับ ทุกท่านก็เรียนมาแล้วนี่ตำราลักษณะนะคือสมัยนั้นเนี่ยถ้าเป็นใครที่ ท, ทรงไตรเพศเนี่ยจะต้องรู้ตำราดูลักษณะคนเหมือนกันหมดนะเขาก็มีคาถารู้ลักษณะของคนเนี่ยนะว่าผิวพรรณรูปร่างแบบนี้ส่วนทรงแบบนี้มีรูปร่างกายแบบนี้เกิดวันนั้นอะไรอย่างนั้นเนี่ยคนเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยเขาจะรู้กันหมดเนี่ยนะวิชาอยู่ในไตรเพศของเขาอยู่แล้วอยู่ในตำราพราหมณ์ นะรับว่ า, วาจะต้องเรียนเรื่องลักษณะของคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นม ห, ม, มหาตารามหาบุริสลักษณะของท่านทั้งหลายก็เรียนกันมาแล้วนี่งกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดมีมหาบุริสลักษณะ32ประการเหล่านั้นในกายตัวท่านผู้นั้นมีคติเป็นสองอย่างเท่านั้นไม่ได้มีคติเป็นที่สามคือคติแปลว่าที่ไปเนี่ยนะ ใช้ชีวิตอยู่สองประการเท่านั้นนะถ้ามีองค์ประกอบคือมหาปริศลักษณะสาประการคือถ้าอยู่ครองเรือนพึงครอบครองแผ่นดินนี้ย่อมปกครองโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาจยาคือกฎหมายไม่ต้องใช้ศาสตราคืออาวุธเนี่ยนะว่าการปกครองเนี่ยไม่ต้องมีการลงโทษไม่ต้องมีการใช้อาวุธไม่ต้องเค้นฆ่าคมเห็นกันทั้ง น, นั้นนะนะถ้าท่านผู้นี้อยู่ครองครองเรือนเพราะเป็นผู้มีบุญจริงๆนะใครก็รักอ่ะ เพราะฉะนั้นแค่เขาบอกว่าแค่อยากอยากจะทําอะไรเนี่ยคนก็เอาตามแล้วเนี่ยนะจำนันเราไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องไปขมเหงอะไรนะผู้มีบุญเป็นอย่างนั้นผู้มีบุญเนี่ยนะแค่อยากจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยคนก็มาตอบสนองเต็มที่เลยนะอยากจะทําให้อยากจะช่วยเหลือแต่ถ้าคนหมดบุญนะไปขอร้องไปอ้อนวอนกราบเท้าเขาแล้วกราบอีกกราบแล้วกราบอีกเขาก็ไม่ช่วยไปเห็นไหมเนี่ยนะ นะเขาก็บอกถ้าเป็นโครงการคนมีบุญเนี่ยนะเขาคิดก็ได้แล้วนัะนะไอโครงการคนไม่มีบุญเนี่ยไปเที่ยวขอเขร้อยเอ็ดเจ็ดย่าน้นําก็ยังไม่ให้เลยเช่นไปขอสมัครงานก็ยังไม่ค่อยจะรับเลยนะทำหมดบุญเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นผู้มีบุญเขาเป็นอย่างนั้นแหละมาการปกครองบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยนะถามว่าเขาปกครองแค่ไหนบอกแผ่นดินทั้งหมดจะเป็นของเขาทันทนะนะีถ้าผู้มีบุญนะประกอบด้วยลักษณะดังที่กล่าวไป และถ้าท่านผู้นั้นออกบวชเป็นบนรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสดังหลังคาอันเปิดแล้วไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยกิเลสเนี่ยที่ปิดบังเอาไว้เนี่ยละได้หมดแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อผู้อื่นทุกอย่างไม่ว่าจะโดยร่างกายและโดยจิตใจเนี่ยนะจิตใจไม่ว่าคุณธรรมนะนะไม่ว่าจะเป็นศีนเป็นต้นดีกว่าคนอื่นทั้งหมดแหละ พรามพาวรีก็บอกซึ่งชาตินะบอกชาติของพระพุทธเจ้านะโคตรลักษณะและมน์อย่างอื่นอีกกะพวกสิทธ์แล้วก็สั่งไปว่าท่านทั้งหลายจงถามถึงศีรษะและธรรมะอันให้ศีรษะตกไปด้วยใจเท่านั้นวิธีถามปัญหาท่านต้องถามด้วยใจนะแต่ละไม่ต้องเอ่ยคำานะถ้าถ้าพระพุทธเจ้าจริงก็ถามด้วยใจก็ต้องตอบด้วยวาจา <c oughs> ก็บอกว่าถ้าท่านผู้นั้นจักเป็นพระพุทธเจ้า ผู้เห็นธรรมะไม่มีเครื่องกลางกัน้นนะนะถ้ามีอนนาวรณญาณอย่างนั้นจริงอะ่ะเมื่อท่านทั้งหลายถามปัญหาด้วยใจแล้วจักกล่าวแก้ด้วยวาจานีนะถ้าพระพุทธเจ้าจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าดีจริงขนาดนั้นถามด้วยใจตอบด้วยวาจาเลยนะนนี้ก็เป็นคําแนะนําคําบอกของอาจารย์นีนะ